พี่น้องเอ๋ยหันมาฟังความหลังวังศิลาเดิมดาเขาเน่าน้ำสามแม่นกอปัน่นห่อพันชิ่นอ้วนสิจวนจาขานนบวงย่อเขา่าแม่นสู่ฟังแท่แล ตำตํนันตะการีมีเหลีองเล่าเก่าว้ว่าหาวังหินนอทินนี้สิขานเข้าเราสู่ฟังนี่นา สีไล ตอนนั้นได้ตั้งึ้นก่อนความจะเลิญนอตอนนั้นตอนนั้นขยายกันสร้างบ้านพอบ้านโคกสูงสร้าง่อได้สมัยนั้น เ, นเหมือนกันจะเล่น ลามีท่านพอบ้านพอบานจังหันสายแตกทางมาอีในขาดน้ำกขอตังบังศิลาโนบานไม่บานบังศิลาเดือดชื่อใเชื่อไบให้จำใเชื่อเอา เลือดลำอ่ำไปหญิงใหญ่เป็นแพ่นทองน้ำวังศิลาเด้อพี่น้องบุญเอ็ดของลือกขานผูวที่ทแม่นบุญเดือนหาจำไว้นะพี่น้องั่วทิ่บันเพ็้นเดือนสองแจ้งอานิน์ผักษาสมผู้ชาปาาู้ผาผาแดงบ้านคุณธรรมเลือดลำเป็นเมีย็ดของอุ้มชูกันฉันพี่น้อง เอาเต็มกองแบ่งปันกันกินมาเด้อกินข้าวเป็นคำเบาพี่น้องท้องกินวังศิลาน้ำใจบ่เสียนดังองยินกว่า นั้นนามาเชิญมาบิ้งน้มใจอันงดงามบานบังศิลารอยยิ้มงมอามรามมาชมความงดงามแห่งนางฝนเมยโ